จุดถูกขึ้นไหวสร้างดอกอธิษฐานบอกกรุ อาพ่ สักศิษ์ต้องช่วยลูกยา อธูปปักอทองปิดพระพุทธศักดิตต์สิทธิ์จงช่วยลูกยา สามดอกอธิษานบอกพระพุทธศรรทักดิ์สิทธิ์เอทูปปักเอาทองผิดพ ร, ระพุทธศักดิ์สิทธิ์